เป็นท่อยาวหรือเป็นฟันเป็นอะไรแล้วแต่มันจะแสดงขึ้นมาก็ให้กําหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยแตน้อยจนกระทั่งลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วก็ไม่ทํา ไ, ไม่ต้องทําความตกใจเมื่อลมหายใจหายไปแล้วจิตก็ไม่มีไม่มีเครื่องรู้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 วิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสวมชุดใหม่แค่นั้นหรือหรือจากไรต้นอธิบาย <c oughs> คนตายไปแล้วถ้าหากจังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิด <c oughs> ก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่คำที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลาง ถ้าตายไปแล้วจิตนิม่มวิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาป ก, กรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้น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 ในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่อาธ น, นีเป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธิเนี่ยถ้าสมาธิที่จิต ท, ท่องเที่ยวอยู่ในกามาวาจรกุศลพอตายครบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดา แต่ถ้าคนนั้นจิตอยู่ในฌานตายปุ๊บลงไปนี่จะรู้สึกว่ามีแต่ตัวจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เจตุจากที่อาจมาเคยได้ลองลองตายลองดูหลายครั้งหลายคนแล้วมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ส่วนที่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 ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทับเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญเลยบาปถ้ายังเกาะบนอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสารก็ะบาปอยูก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พน้นต้องค้นทั้งบุญเลยบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอา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 ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดอยู่ในสมถะติตอยู่ในสุขอของความเป็นสมถะกรรมฐานนั้นแล้วไม่พยายามที่จะทำจิตให้เข้าขึ้นสู่ภูมิปัสสนากรรมฐานก็หมายความว่าทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อยปล่อยเลยปล่อยโอกาสไม่ตามเรียกว่าไม่ติดตามกฎฐาน อย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกมาแล้วปล่อยพวกพวกพวกออกมาแล้วก็เลิกกันทีอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิปัจนากรรมฐานแต่ถ้าว่าพอจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิหรือสมาธแล้วก็เกิดความคิดตั้งสติกำหนดตามรู้าาความจิตนั้นจิตจะก้าไปสู่ภูมิปัสนากรรมฐานได้โดยไม่ต้องยกเอาอนิจจาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มาพิจรารณาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเกิดถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตจะรู้สึกว่ากายปรากฏในเมื่อกายปรากฏจิตก็ย่อมรู้กายคือรูปในเมื่อจิตรู้กายคือรูปจิตก็ย่อมรู้เวทนาเพราะเวทนาเกิดจากรูปคือกายและจิตก็จะรู้สัญญาเ็ราะในความทรงจาต่างๆที่ผ่านต่มาทางทวารหกนั้นจิตยอมเกิดจาเอาไว้แล้วก็ วิญญาณในเมื่อรล้สิ่งใดกันมาก็เกิดความรู้กันมาซึ่งเรียกว่าวิญญาณเมื่อรู้แล้วเคลดปรุงแต่งในสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารเพราะฉะนั้นการกำหนดตัวรูปนามที่คําว่ารูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิดหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดรูปรูปเปตนาสัญญาสังขารวิญญาณจุ เมื่อจิตยังไม่มีสมาธิอย่างละเอียดแน่นหนึเราจะยังรู้สึกว่ากายปลากรุดอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปแล้วจิตจะปล่อยวางความมีรูปคือกายในเมื่อปล่อยวางความมีรูปคือกายโลกหายไปเวทนาหายไปสัญญาหายไปโลกดับ จิตไม่ได้พอพันกับรูกเวทนาสัญญาอารมณ์มันน้อยลง จ, จิตจึงเด่นขึ้นมาเรียกว่านามเกิดที่นี้ภายในจิตอนั้นในขั้นนี้ยังเหลืออยู่แต่สังขารกับบิญญาๆแล้วจิตก็จดจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้ในส่วนละเอียดอย่างนั้น จ, จิตในตอนนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานเหมือนกัน บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเจตอยู่ในอภปนาสมาธิในขั้นสมาถานี้มันจะไม่มีความรู้อะไรเลยย่อมจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วสมาถานในขั้นต้นนี้เป็นแต่เพียงปฐ ม, มจิตปฐมบิน ญ, ญาณมโนท่านสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวึคร่งสู่ภูมิปัตสนารมฐานได้นอกจากจะฝึกผัดน้อมนึกปรับกุงปฏิปทาเอาเอง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 อันนี้เป็นความรู้ในขั้นโลกุตระเรียกว่าอยู่เหนือโลกความรู้ที่มีชื่อเรียกนี่เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกีความรู้ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติบัญญัติเป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระย่อมไม่มีสมมติบัญญัติอันเป็นสัจธรรม ทีนีการในเมื่อทําสมถะชำนิชำลานแล้วการต่อวิปัสสนากรมาธิเนี่ยการต่อวิธีง่ายๆก็คือคอยจ้องเวลาจิตขอนออกจากอัปปนาสมาธิเกิดความคิดแล้วตามรูปความคิดนี่อย่างหนึง่งถ้าไม่อย่างนั้นก่อนอนที่จะทําความสงบให้เป็นสมถะให้พิจารณาลูกเบนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ในแง่แห่งพระใจรักซือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาด้วยความคิดเอาคิดเอาคิดเอาตามที่เราจําได้มาแล้วต่อไปก็ในขณะที่พ้นคิดพิจารณาอยู่นั้นจิตอาจจะสงบลงไปในระหว่างก็ปล่อยให้จิตสงบไปในเมื่อจิตสงบลงไปถ้าอจิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสสนาได้จิตจะดําเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเอง อันนี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้มามากไปเลยออกไปเลยเจตใจวิญญาณต่างกันหรือไม่และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย จิตใจปิญ ญ, ญานี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียด <c oughs> โดยความรู้สึกถ้าเราเราตีความหมายตามรูปสัตว์เจตจับใจมีมูลลากมาจากธาตุอันเดียวกันคือจิตธาตุเป็นไปในความก่อความสังสงแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณอุบารี ท่านอธิบายไว้ว่าใจคือส่วนที่เป็นกลางจิตเป็นอาการที่ใจส่งกระแสออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อสัมผัสอารมณ์แต่และอย่างละอย่างก็เป็นจิตแต่และอย่างละอย่างแต่ตัวใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเจ้าคุณเพระบาลีสิริจันโธจันย์ท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> ที่นี่ และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายท่านทั้งหลายเรียนมาแล้วว่าที่เกิดของความคิดอยู่ที่สมองโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะทำอะไรไม่ได้วิญญาณนี่วิญญาณนี่ขอตอบเป็นสองไหล ในหนึ่งวิญญาณในขันห้าหมายถึงอาเยตนาภายนอกอาเยตนะภายในกระทบกันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกเรื่อนเรียกว่าวิญญาณตามถวารนั้นนั้ น, น, นอันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าอีกอันหนึ่งนั่นปฏิสนธิวิญญาณเือวิญญาณที่รู้จักจุตติและปฏิสนธิ หมายถึงวิญญาณในปัญหาที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่ตัวปฏิสนธิวิญญาณนี่เป็นวิญญาณดั้งเดิมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนี่มีแต่วิญญาณล้นล้วนแกจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิน้นและก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีส่วนประกอบ คือประสาทในส่วนสมองหรือมันสมองเป็นส่วนประกอบแล้วแกยิ่งจะมีปฏิกิริยาสร้างความคิดนึกขึ้นมาอันนี้ขอตอ บ, ย, อบอย่อๆเพียงแค่นี้ฝากไปให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไป <c oughs> เจตสิกคืออะไรเจตสิกคือคนณธรรมอันเป็นส่วนประกอบอยู่ในจิตเช่น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 กับพโพโตสัมผัสกันเกิดกับพโพโธสัมผัสกันนี่พโพโตเป็นธรรมารมณ์เิดเป็นมโหทีนี้ทั้งสองอย่างนี่มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสแต่ความรู้สึกว่าสัมผัสนั้นเป็นวิญญาณทีนี้ภาวนาพโพธโธ้โพโตแล้วเกิดสมาธิขึ้นมานั่นคือเจตสิก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 ทีนี้เจตนึกถึงรปูปมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอันเป็นตัวกิเลสอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอกุศลเจตสิกแต่การสัมผัสรูปพอสักแว่วรู้เห็นตาเห็นรปูปพับรูปรูปนี่คือปัญญาความยินดียินได้พอใจไม่พอใจในรูปนั้นเป็นอาการของกิเลส น, นั่นคือเจตสิก อันนี้อีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นคุณธรรมก็คือว่านักปฏิบัติสามารถสร้างพละห้าขึ้นในจิตได้มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาหรือสามารถรวมอริยมรรคลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกายโนโมัคโคมีสติเป็นตัวการสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิทําได้อันนั้นคือเจตติกในอวสัญญาาสัญญาเจตนะ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 ความรู้สึกของเกตุผู้ปฏิบัตินี้ท่านว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็หมายความว่าจะมีความทรงจํำก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ได้รับรองก็ไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเนวสัญญาณาสัญญาเจตนาแต่ว่าจะมาก็ยังไม่ถึงแน่อันนี้พูดตามแบบที่ท่านเขียนไว้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิต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 มีความรู้สึกที่สมองเกิดสั่งการขึ้นมาทันทีแต่จะอธิบายว่าอย่างไรท่านขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาด้วยในขณะที่นั่งสมาธิเจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําอย่างไรจึงจะไม่ทําให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทําำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆ ทำให้มากมากภาวนาให้มากมากจนชนิชำนาญแล้วจิตจะอยู่เองการทำสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี้ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนเหมือนกันกับการบุเรกเบิกงานใหม่เพาะง้ น, นการทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นหนึ่งนี้เนี่ยเราต้องข้าเขียนพยายาม แต่อย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วทำให้เราหมดความคิดเราทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั่วขณะหนึ่งพอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมของเราว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากๆแล้วมีสติปัญญาสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งจะมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ้นวายอยู่เดี๋ยวนี้ แต่ความเครียที่มีสติเป็นตัวการสําคัญนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนักปกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใครเพราะฉะั้การทำสมาธินี่เป็นสิ่งจำเป็น <c oughs> ข้อสองการทำสมาธิทุกครั้งจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขึ้นพระกรรมฐานอันนี้ไม่จำเป็นขึ้นกรรมฐานหมายความว่าจะต้องเอาดอกไม้ผูกเพียนไปยกครูกรรมฐาน อันนี้แรียกวขึ้นกรรมฐานทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์พุทธรมโอสังคมพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์เป็นศาสดาของเราเป็นคุณธรรมเราจะทำพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ให้เกิดขึ้นในใจของเรานี่คือทําใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธความผู้ตื่นพุทธผู้เบิกบานพุทธผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณธรรมเท่านั้น ทีนี้อาจจะมาใกล้ที่จะขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายว่าการทําสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยอกครูกรกรมาฐานการภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้พวกเทียนไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผูนั้นมอบพระกรรมฐานให้คือให้ภาวนาพุทโธในเมื่อมาภาวนาพุทโธแล้ว ก็มาฐานยกครูนี่มันจะทำให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกแรกเขียนเนื้อพูดโผพูดโทในใจพอจิตเริ่มสงบลงมาหน่อยพูดโทพูดโผดังออกมาพอพูดโผดังช้าๆต่อไปก็ถีเข้าถีเข้าถีเข้ า, ขาลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทโโโทโทคำเดียวในเมื่อเงียบเสียงโโแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทํานองเทศ แต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิงการภาวนาโดยยกครูขึ้นกรรมาฐานเนี่พลาดพ่าเสียทีจะกลายเป็นโลกผีสิงอันนี้ขอเตือนทุกๆ ท, ท, ท่านทำความเข้าใจเอาไว้ <c oughs> หากไม่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ทุกวัน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 สมาธิของปกเรียนไสยศาสตร์วกถอดหนังบางฟันอะไรต่างๆนี่เขาก็อาศัย ส, สมาธิเหมือนกันแต่สมาธิจะให้เป็นมหาสติประฐานต้องมีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีศีลสติเป็นมหาสติไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่ง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 มีอาการบริหารกายส่วนนั้นเป็นการผิดหรือไม่การเปลี่ยนอริยาบทเยิอนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอริยาบทบางทีเราอาจจะบริหารกายแบบฤษีดัดตนท่านอาจารย์ฟันท่านํำหรือแบบฤษีดัดตนที่ที่มีแบบฝุกตัอยู่ทีท่วัดโพน่นอันนี้ไม่ผิด เป็นการบริหารกายให้ให้มีความต้องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารในต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิในเมื่อเราทําสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคง ทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้จะกลายทำถูกต้องเดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับผานในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับผานรู้จักหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี เพรฉะนั้นสมาธินี้มีประโยชน์แก่นักบริหารในนับปกครองอย่างเหลือที่จะพัฒ น, นาจีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จากวิธีใช้อำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดี ทำอย่างไรจะดึงกูบระเพิดผิดให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุบายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆที่แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆ <c oughs> ต้องใช้ความภาพเพียนพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดีให้มีศีลมีธรรมจนหมดทุกคนนั่นเป็นไปไม่ได้หราพระพุทธเจ้าท่านก็ทำไม่ได้